จเริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลเป็นวันที่สองท่านมีโอกาสในเวลา จึงมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเพราะการฟังธรรมนั้นจะทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อนจะทำให้เรา <c oughs> มี ความสงบมีจิตใจที่ผ่องใสมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเวลาเราฟังเรื่องอื่นเราจะไม่ได้ฟังในเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตของเรา ไปได้อย่างดีงามด้วยความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเพราะการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงดัดไว้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง จะทำให้เรารู้และนำเอาสิ่งที่เรารู้ไปทำให้เกิดประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายให้ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นเ <c oughs> ช่นการรู้กาละเทศะนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันการละเทศะก็คือการรู้การและสถานที่เวลาว่าควรจะทำอย่างไรเช่นเวลาที่เรามาวัดเราก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราประเคนของต่างๆให้กับพระสงค์องค์เจ้าได้ เวลาไหนที่เราไม่ควรประเคนไม่ควรถวายเช่นในขณะที่มีการทำพิธีกรรมต่างๆมีการกล่าวคาถวายสังฆทานก็ดีหรือในขณะที่กาลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เช่นในขณะนี้ก็ดีก็ไม่ควรที่จะทำกิจอย่างอื่นเพราะเมื่อทำแล้วก็จะทำให้เกิดความ เสียหายหแก่ผู้อื่นเกิดความรำคาญใจให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นพยายามจะตั้งใจฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สามารถฟังได้ด้วยความสงบเพราะมีผู้อื่นโมวแต่ทาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเมือโมวแต่คุยกันส่งเสียง <c oughs> ดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น <c oughs> การที่เรารู้ ถ้าเรารู้จักกาละเทศะเราก็จะต้องไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นเช่นเวลาที่พระกำลังเทศอย่างตอนนี้เราควรที่จะสงบกายสงบวาจาเพื่อเป็นศีลและสงบใจให้เป็นสมาธิเพราะการฟังธรรมนั้นจะเกิดปัญญาคือความเข้าอกเข้าใจได้ จะต้องมีทั้งศีลและมีทั้งสมาธิถ้าเรามัวแต่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อยู่จิตใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กระแสธรรมที่ <c oughs> มาสัมผัสกับหูเราก็จะไม่ได้เข้าไปสู่ในใจเราจะไม่รู้ว่าพระท่านได้เทศอะไรไปบ้างเพราะมัวแต่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่นเอง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมคือมีความเห็นที่ถูกต้องมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะกลับไปเทศกลับไปโทษว่าการฟังเทศฟังธรรมไม่เห็นได้อะไรเลยเสียเวลาไปเปล่าๆนั่นเป็นเพราะว่าเราฟังไม่เป็นนั่นเองเราไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจ <c oughs> ถึงแม้ตั้งใจฟังแล้ว แล้วฟังเพื่อการจดจำก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่สู้ฟังเพื่อความเข้าใจไม่ได้เพราะถ้าเราจดจำเราก็จะจำได้แต่คำพูดแต่เราจะไม่เข้าใจความหมายสิ่งที่เราจดจำมาก็ไม่สามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจอย่างวันนี้เรารู้แล้วว่า เวลามีการกระทำพิธีกรรมต่างๆเราต้องหยุดการกระทำต่างๆไว้ทั้งหมดต้องร่วมทําพิธีกรรมกับเขาเขาตั้งนโมเราก็ต้องตั้งนโมตามไป <c oughs> เวลาเขากล่าวคำถวายเราก็กล่าวคำถวายตามไปด้วย <c oughs> จนกว่าจะถึงเวลาที่จะถวายของได้เราจึงค่อยถวายของพร้อมๆกัน <c oughs> หรือเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเราก็ควรออกไปจากสถานที่นี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นถึงแม้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับประโยชน์อย่างน้อยเราก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาไม่ได้รับประโยชน์ จากการฟังทมเนื่องจากการกระทำอะไรต่างๆของเราไปนี่คือความเข้าใจไม่ต้องจดไม่ต้องจำถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้แต่ถ้าจดถ้าจำไว้เดี๋ยวก็ลืมได้พอไปทําอะไรอย่างอื่นไปคิดเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวสิ่งที่เราจดจาไว้ก็จะจำไม่ได้ ดังนั้นการฟังธรรมนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่การจดจำแต่อยู่ที่การเข้าใจฟังให้เข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต้องมีสมาธิจิตจะต้องจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คือต้องสงบกายสงบวาจาและสงบใจนั่นเอง เมื่อมีความสงบทั้งกายวาจาใจแล้วปัญญาที่เกิดจากความการฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นมาวันนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักกาลเทศะเวลาเราทำอะไรเราต้องสังเกตดูก่อนว่าขณะนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่สิ่งที่เราจะทำนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไร ถ้าไม่ควรเราก็ควรที่จะรอไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรทำไปแล้วจะเสียหายอย่างน้อยก็จะต้องปล่อยไก่ทำให้เราประกาศอาจารย์ตัวเราเองว่าเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะเป็นคนโง่ไม่ใช่เป็นคนฉลาดนี่คือการฟังธรรมที่เราจะได้รับประโยชน์คือจะทำให้เรารู้จาักกาลเทศะ นอกจากนั้นสรงสอนให้เรารู้จักสังคมสังคมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีอยู่ในสังคมที่เราอยู่เขาถืออะไรเราก็ไม่ควรที่จะไปไปลบหลู่ดังที่มีข่าวเมื่อไม่นานนี้มีชาวต่างประเทศไปลบหลู่ ด้วยการเอาสีไปทาภาพของในหลวงก็เลยถูกเขาถูกตำรวจจับขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้จำคุกสิบปีเพราะไปลบหลูดูหมิ่นในสิ่งที่คนไทยเราให้ความเคารพนับถือแต่เนื่องจาก <c oughs> ในหลวงทรงเป็นผู้มีจิตใจที่มีพระเมตตา จึงทรงให้อภัยพระราชานอภัยโทษแก่ฝรั่งคนนั้นจึงไม่ต้องติดคุกติดตารางไปเพราะการไม่รู้สังคมนั่นเองเวลาเราไปอยู่สังคมของของชาติใดก็ตามเราต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่เขาปฏิบัติกันเราก็ต้องปฏิบัติตามเขา ไม่ใช่ถือว่าเราเคยอยู่บ้านของเราเราเคยทำอย่างนี้แล้วเราไปอยู่บ้านของเขาเราจะไปทำแบบของเขาไม่ได้อย่างอยู่เมืองไทยนี้เราสามารถขับรถผิดกฎจราจรกันได้อย่างสบายตำรวจไม่จับเห็นไฟแดงก็ผาก็ฝ่าไฟแดงได้วิ่งย้อนสอนได้เวลาที่จะต้องเข้าคิวก็ไม่ต้องเข้าคิว แซงหน้าเบียดเสียดกันทําได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไปทําที่ประเทศของฝรั่งเขาจะถูกตํารวจจับเข้าคุกเข้าตารางเอาจะโดนปรับอย่างแรงและจะถูกยึดใบขับขี่ด้วยเพราะเขาต่างประเทศนี้เขาเคารพกฎระเบียบมากเขาเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรไปทําอะไรที่ผิดแล้วเขาจะไม่ ยอมรับจะอ้างอย่างไรว่าอยู่เมืองไทยทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเขาบอกว่าเขาก็บอกเขาก็ไม่สนเพราะอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็จะต้องให้เราทำตามกฎตามระเบียบของเขานี่คือการรู้สังคมอยู่ในสังคมใดเราต้องศึกษาของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมนั้น แล้วพยายามปฏิบัติตามถึงแม้เราจะไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาก็ตามแต่เราก็ไม่ควรไปรบหลู่เพราะจะสร้างความเสียหายเป็นโทษกับเราได้นี่คือความหมายของการให้รู้จักสังคมเพราะถ้าเรารู้แล้วเราก็จะอยู่ยังสมบร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางไป นอกจากนั้นสรงสอนให้เรารู้จักบุคคลบุคคลก็คือหมายถึงคนที่เรามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ด้วยคนแต่ละคนนั้นมีฐานะไม่เหมือนกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีฐานะอย่างหนึ่งคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราก็มีฐานะอย่างหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนเราก็มีฐานะอย่างหนึ่ง คนที่เป็นลูกเราเป็นหลานเราก็เป็นมีฐานะอย่างหนึ่งการที่เราจะปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละ <c oughs> ชนิดนั้นต้องต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นกับบิดามารดาก็ต้องให้ความเคารพให้ความนับถือยกย่องให้ความเชื่อฟังไม่ใช่ปฏิบตัติแต่เวลาปฏิบัติกับลูกไป เราก็ไม่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบเดียวกับพ่อกับแม่คือกับลูกเราก็ต้องให้ความเมตตาเราต้องอบรมสังสอนเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขากับเพื่อนกับฝูง ก, ก็ปฏิบัติกันไปอกีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะเกิดความเสียหายเช่นเราปฏิบัติกับพ่อแม่เราเหมือนกับเราปฏิบัติกับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ไม่เหมาะ ลูกหัวจับลูกหัวพ่อลูกหัวแม่อย่างนี้ไม่ได้แต่ในบางสังคมเขาไม่ถือกันเช่นในสังคมของฝรั่งพ่อกับลูกบางทีเขาก็เล่นหัวกันได้อย่างนี้ก็เป็นสังคมของเขาแต่ในสังคมของเรานั้นเราไม่ทําอย่างนั้นเราต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วปับแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมกับบุคคลต่าง อีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ก็คือให้รู้จักตัวเราเองรู้จักตนเพราะคนเราแต่ละคนก็มีฐานะแตกต่างกันไปเป็นหญิงก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นชายก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นคารวะก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นพระเป็นภิกษุเป็นเป็นสมมามเณรเป็นแม่ชีก็ต้องปฏิบัติตนเอกแบบหนึง่ง ก า, การปฏิบัติตอนให้เหมาะสมกับฐานะของตนจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วก็จะคนอื่นเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนเสียสติไปเป็นคนไรเป็นคนบ้าไปเพราะทำตนเองไม่ถูกต้องนั่นเองนี่คือการรู้จักตนนอกจากนั้นแล้วก็ยังทรงสอนให้รู้จักประมาณ การรู้จักประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมือนกับเหมือนกับใส่เสื้อผ้าก็ต้องขนาดที่พอดีใหญ่เกินไปก็หลวมใส่ดูแล้วไม่สวยงามเล็กเกินไปใส่ไปแล้วก็แับทําให้ดูไม่สวยงามเช่นเดียวกันต้องให้พอดีความพอดีนั้นสรงสอนให้มีความพอดี ในการบริโภคปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหง่มให้มีความพอดีคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปบ้านดีหลังเดียวก็พอแล้วราคาก็ให้พอกับฐานะของเราถ้าเราไม่มีฐานะพอที่จะซื้อบ้านได้ก็เช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้ก็อยู่ก็เป็นบ้านเหมือนกัน เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่มีบ้านของเราเองอยู่อันอย่างนี้ไม่จำเป็นไม่สำคัญอาหารก็รัประทานพอประมาณไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปถ้ามากจนเกินไปก็จะเป็นโรคน้ำหนักเกินได้จะมีโรคภัยเบียดเบียนถ้ารับประทานอาหารไม่พอเพียงร่างกายก็จะสู้ผอม ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดียวกันต้องรับประทานพอประมาณเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันให้พอให้มีพอเพียงกับการใช้ไม่ควรไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายก่ายกองจนล้นตู้สำหรับผ้าพิกษุนนี้ส่งสอนให้มีผ้าเพียงสามผืนก็อยู่ได้แล้ว ให้มีผ้านุ่งหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าสบงให้มีผ้าห่มหนึ่งผืนเรียกว่าจีวรและให้มีผ้าห่มกันกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าสังคติมีผ้าสามผืนนี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับนักบวชสำหรับคารวาสก็อาจจะมีมากกว่าเพราะอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวต่าง ในในฐานะต่างๆเวลาไปทำงานก็ต้องแต่งตัวแบบหนึ่งเวลาไปไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับบ้านก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งแต่ขอให้พอประมาณก็พออย่าซื้อเสื้อผ้าตามความอยากของเราเพราะถ้าซื้อแล้วซื้อตามความอยากแล้วจะไม่รู้จักหยุด ได้มาแล้วพอไปเห็นชุดใหม่ก็อยากอีกอยากจะได้อีกจะทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์เงินทองแทนที่จะเอามาทาประโยชน์เช่นเอามาทำบุญทำทานเราก็จะไม่ได้ทำบุญทำทานหรือเอาเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากอาจจะตกงานอาจจะพี่กลนพี่การ ไม่สามารถทำงานทำการได้เราก็จะได้อาศัยเงินที่เรามีเหลืออยู่นี้เอาไว้ดูแลเราต่อไปถ้าเราเอาไปซื้อเสื้อผ้าเสียหมดเวลาเราต้องการเงินทองเราจะไม่มีใช้เอาเสื้อผ้าไปขายก็ไม่ได้ราคาไม่มีใครอยากจะได้ของเก่ากันนี่คือความหมายของการรู้จักประมาณ อย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วชีวิตของเราจะไม่มีความกดดันในเรื่องเงินทองเราจะมีเงินทองเหลือใช้อยู่เสมอส่วนใหญ่ที่เราไม่เงินทองไม่พอใช้กันทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักประมาณนั่นเองใช้กันเหมือนกับเป็นเหมือนกับน้าใช้กันแบบฟุ่มเฟือย แม้แต่น้ำก็ยังใช้กันแบบฟุ่มเฟือยบางทีก็เปิดน้ำทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อไปโลกเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำกันเพราะว่ามีคนมากขึ้นก็ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้วน้ำเสียก็มีมากขึ้นทำให้น้ำดีที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งมีน้อยมากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเรารู้จักประมาณกัน รู้จักจัดการการใช้ของต่างๆไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ยังจะมีสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไว้ใช้อยู่อย่างมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณใช้กันไปแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วต่อไปข้างหน้าโลกเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อน จะต้องแก่งแย่งกันจะต้องฆ่าฟันกันเพื่อเพื่อการดำรงชีพทั้งๆ ท, ที่โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีอะไรมากมายแต่กับถูกพวกเราทําลายไปด้วยการไม่มีปัญญาด้วยการไม่รู้จักไม่รู้จักประมาณนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เรารู้จักประมาณด้วย นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้กันความรู้ที่จะทำให้เราฉลาดที่จะทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขนี้ไม่มากมายเลยมีอยู่ประมาณ 6-7 เจอย่างด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ก็คือ 1. ให้รู้จักกาลเทศะ 2. รู้จักสังคม 3. รู้จักตน 4. รู้จักบุคคล 5. ้รู้จักประมาณ และอีกสองอย่างที่ควรจะรู้ก็คือรู้จักเหตุและรู้จักผลเพราะเหตุและผลนี้เป็นตัวที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญหรือความทุกข์และความเสื่อมเสียเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทาอะไร ก็จะทำให้เกิดผลดีบ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างขึ้นมาเราจึงต้องรู้ทั้งเหตุและทั้งผลว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันส่วนใหญ่เราอยากจะได้ผลกันเช่นเราอยากจะได้ผลดีอยากจะมีความสุขอยากจะมีแต่ความเจริญอยากจะปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง แต่เราไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริอนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้แล้วต่อให้อยากได้ผลดีมากน้อยเพียงไรผลดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะผลดีเกิดจากการกระทำความดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองเช่นวันนี้เราคิดดีเราคิดจะมาวัดมาทำบุญ แล้วเราก็ชวนเพื่อนชวนฝูงชวนญาติพี่น้องมาแล้วก็ออกเดินทางมาทำบุญกันแล้วก็ได้มาถวายทานได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ความสุขจากการกระทำเหล่านี้เราก็เป็นคนดีไม่มีใครประนามว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราไม่ได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราไปกินเหล้าเมายา แล้วไปขับรถชนคนนั้นคนนี้ตายไปเขาก็จะต้องว่าเราเป็นคนไม่ดีต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะเราคิดไม่ดีคิดอยากจะกินเหล้ากินเล้าแล้วก็คิดอยากจะออกไปเที่ยวก็ขับรถด้วยการไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่รู้จักเบรไม่รู้จไม่รู้จักหยุดรถเวลาที่จะต้องหยุดยางกระทนหัน ก็ต้องไปชนคนนั้นคนนี้ตายไปแล้วก็มาบน่นร้องหม่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเป็นความสวยความจริงไม่ใช่เป็นความสวยหรอกเป็นเพราะว่าไม่รู้จักเหตุนั่นเองไม่รู้จักผลที่เกิดจากเหตุที่ทำทาไปแล้วถ้าเรารู้แล้วเราก็อย่าไปกินเหล้าเสียมันก็จะไม่มีผลเสียตามมาเมื่อไม่กินเหล้าก็จะไม่เมา เมื่อไม่เ ม, มาขับรถก็จะขับด้วยความระมัดระวังก็จะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีโทษตามมาโทษทั่วโทษส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่ของเราเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้ น, นการที่เราไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่เราขี้เกียจเราไม่เราขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจหาความรู้เพิ่มเติม เราก็เลยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นที่เขารู้มากกว่าเราที่ฉลาดกว่าเราได้การที่เราจะเจริญได้นั้นก็ต้องเกิดจากการที่เรามีความรู้มีปัญญานี่เองถ้ามีความรู้มีปัญญาแล้วไม่มีทางที่จะยากจนได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้ามีเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว เงินทองก็จะหมดไปได้เช่นถ้าเรามีบุญมีพ่อแม่ที่มีเงินมากแล้วเขาทิ้งสมบัติให้กับเราแต่เราเป็นคนที่ไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลพอเราได้เงินมาเราก็เอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มไม่เคยคิดที่จะเก็บไม่เคยคิดที่จะหามาเพิ่มมีแต่ใช้ไปอย่างเดียวต่อให้มีมากมายก่ายกองเพียงไร สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปจนได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่หายากต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราอาจจะต้องอาศัยเงินทองก้อนนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ถ้าเราไม่มีแล้วต่อไปเราก็จะลำบากและเราต้องรู้จักหามาเพิ่มด้วยไม่ใช่จะ มีแต่ใช่อย่างเดียวคนคนที่มีปัญญาจะคิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่จนตรอกเขาจะไม่จนมุมเขาจะไม่ลําบากจะไม่ลําบนดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราต้องเป็นคนฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาพยายามเรียนอยู่เรื่อยๆไม่จําเป็นเฉพาะแต่เด็กเท่านั้นที่ต้องเรียนผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่ก็ออยังต้องเรียนกันอยู่เพราะยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้ ที่ยังสร้างความทุกข์สร้างความกมัวลใจให้กับเราถ้าเราหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเครื่องดับทุกข์นั่นเองถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติต่อไปจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นเข้าวัดหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัติกับชีวิตของตนแล้วรับรองได้ว่าจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขจึงขอฝากเรื่องของการรู้สิ่งทั้งเจประการนี้คือรู้เหตุรู้ผล รู้บุคคลรู้ตนรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพินิษพิจารณานและนำไปปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสง